ตอนนี้เรื่องโรคระบาดในเมืองไทยเราก็ดีขึ้นราชการทางหมอก็ก็ผ่อนปลนเยอะขึ้นเราก็ระวังตัวเองโรคภัยไข้เจ็บมันกระทบร่างกายตัวร่างกายเราเนี่ย เวลาเจ็บป่วยลมาก็เป็นมารเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยเรียกขันธมารเวาเจ็บป่วยมากๆก็ากตายเรียกมัจุมานสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกิดหวงังความเจริญก้วหน้าของการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านถึงเตือนว่าความเพียร น, นะต้องแร่งทำซะตั้งแต่เดือนนี้วันนี้อย่าปลาดวันประกันพรุ่งไม่ได้เราไม่รู้ว่ามัานจะขัดควางเราเมื่อไหร่อย่างเราภาวนาของเราอยู่เกิดโรคระบาดขึ้นมา ป, ปรับปับตายไป ไม่ได้ภาวนาเสียประโยชน์ไปชาติหนึ่งเพราะความประมาทของเราเองแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราด้วยความมีสติทุกวันทุกวั น, วนสะสมคุณงามความดีของเราไปชีวิตเราไม่ขาดทุน งั้นเราพยายามอย่าขี้เกียจมานมันมีส่วนทางกายกับทางใจมานทางกายเป็นทันธมารส่วนใหญ่ก็มุ่งมาที่ร่างกายนี้แหละถ้าพูดตามตำรามันก็ขันห้ามันจุมานความตายตัดรอน ความดีต้องทำตั้งแต่ตอนนี้นส่วนมารทางใจมีกิเลสมารเราสะสมของเร า, าเองกิเลสบางคนที่รอบบางคนที่โกรธบางคนที่หลงะสะสมของเรามาเวลามีกิเลสมันก็จะปรุงแต่ง ดวงใจมันดิ้ น, นรนคลุงแต่งเลือกอาภิสังคารมานตัวนี้ตัวร้ายเลยปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างก็พาเราไปเกิดในพภพภูมิต่างๆก็มันมาจากกิเลสนั่นแหละอาภิสังคารมานก็เลยทำงานได้ช่วยกัน มีมาอีกตัวหนึ่งเทวทธมาพวกจิตริศยาจิตที่อิจฉาเห็นใครดีก็คอยแกล้งแกล้งบางทีก็แกล้งทางกายแกล้งด้วยวาจาปล่อยข่าวแกล้งทางใจอันนี้สำหรับคนมีพลังจิต มันก็แก้งกันทางใจได้อย่างกระตุน้นพวกเรามันมีกิเลสอยู่แล้วพวกมานที่้ามก็กระตุ้นกิเลสของเราให้รุนแรงขึ้นอย่างเราเป็นพระภาวนากระตุ้นราคะหรือเราอยู่ในโมณะก็ตุ้นโทสะเรา ทำได้คล้ายๆการสะกดจิตนั่นเองนี่พอถูกกระตุน้นความรื่นรนลวงแต่งของจิตมันก็รุนแรงขึ้นตัวพิสังขารมานทำงานได้เต็มที่ขึ้นถ้าเราดูให้ดีนักปฏิบัติหลายคนก็แพ้ตรงนี้เอง แต่มารบางคนภาวนากำลังจะดีแล้วปุบปับตายไปหรือเจ็บป่วยถูกมารขัดขวางมาร ม, มีมารภายในมารภายนอกมารภายนอกกัตัวเทวทธมามารภายในก็ขันของเราเอง ความตายของเราเองคีเลตของเราเองความดิน้นรนครุงแต่งของเราเองอย่างปลามาบวชที่ขันมันเบียดเบียนเจ็บป่วยที่นี่ก็มีไม่สบายมากต้องสื่ออกไปอยู่วัดไม่ไหว อันนี้มีหลา ย, ลายองค์แล้วเคยเป็ น, นถูกคันธมันมันเล่นงานออกส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสมรนการพภิสังขารมันความปรุงของตัวเองน ะ, นะเช่นปรุงราคะเป็นโยมมาวัด ดูเขามีความสุขเริ่มหมกเริ่มใจอยากไปอยู่อย่างโลกโลกว่างอางนี้ก็มีดทีก็ปรุงโทสะกับเพื่อนพระด้วยกันบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆก็โกรธเขานะบางวัดถึงขนาดพระลูกขึ้นชกกันวัดเราอย่างดีไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่มี ที่เรีกว่าเราแพ้กิเลสแพ้กิเลสก็ภาวนาต่อไปไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถ้าเป็นพ้าก็บอกพระเหลืองมันร้อนอยู่ไม่ไหวละเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจแลนะชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวจะแตกดับเมื่อไหร่ไม่รู้ความเพียรต้องทําซะตั้งแต่วันนี้ต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ อย่าพลัดเด็ดขาดนะเราค่อยพลัดเอาไวแ้แก่ๆแล้วค่อยทำบางคนไม่ทันแก่มันก็ตายไปก่อนงั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะผู้ประเสริฐแล้วรีบเดินตามเส้นทางของท่านทุกวันนะต้องตั้งใจรักษาศีลห้าไวนะ้ถ้าเป็นโยม เป็นพระก็รักษาศีลห้าไว้แล้วก็รักษาพระวินยัยรักษาข้อวัดทั้งหลายให้ดีที่สุดพราสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมีสติสำหนชัญญาอย่างวินัยของพระเนี่ยควบคุมเช็มงวดทำอะไรก็ถ้าขาดสตนะิเสียหาย ได้ตลอดเวลาแค่เข้าห้องน้ําอาบน้ำส่งน้ําขาดสติก็ยืนฉี่ละวก็วอาบัดเสพาะผ้ากับราวตากาักผ้าผ้าไม่เป็นผ้าคล่อมเขาเ้าไปอย่างนี้ก็อาบัดละพาดผ้าต้องสอดจากข้างหลังขึ้นมาออกมาข้างหน้ากันผ้า นะมันถูกเสียนถูกนามอะไรนี้ควรขาดนะท่านสอนละเอียดมากนะจะยืนเดินนั่งนอนจะกินอะไรนี้ท่านสอนหมดนะให้เรามีสตินั่นแหละถ้าเรามีสติเราก็ปฏิบัติได้ไม่หลังร้อยอย่งบวชใหม่ๆบางทีก็ลืมตัว ยืนชันน้ำดื่มน้ำานสติมันไม่ทันไม่มีสมณสัญญาว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วก็ขาดสติไปไต้องฝึกนะทุกวันต้องตั้งใจตั้งใจไว้ก่อนรักษาศีลไปทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนาในรูปแบบ ทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดอย่างหลวงพ่อภาวนานหลวงพ่อทำสมถะดิวยอนาานาปนสติหลวงพ่อเจริญวิปั ส, สนาได้จิตตานุปั ส, สนาสติปฐานเป็นหลักในเวลาหลวงพ่อสอนลูกสิษย์นะบางองค์หลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทําอานาปนสติ หรือ ห, หายใจแลว้วก็บริกรรมกำกับเข้าไปด้วยอานาบรนณสติแท้ๆ ท, ทำยากละเอียดบางองค์หลวงพ่อให้ดูกายไปเลยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่บางคนได้ยินหลวงพ่อสอนบอกให้ดูกายก็เกิดความสงสัย บอกกายานุปัสสนาเนี่ยเคยได้ยินคุณพ่อเขเคยพูดกายานุปัสสนาเหมาะกับสมถายานิสเนะี่ยเรายังไม่ได้เข้าฌานแล้วจะมาดูกายได้ยังไงเข้าฌานแล้วมาดูกายเนี่เพื่อให้เกิดปนะัญญาแต่การดูกายดูเข้าไปตรงๆนะกายนะกายจนะกรตาสติดูผมขนเล็บฝันหนังอะไรนะ่ ทำให้ได้สมาธนะิคนละส่วนกันนะถ้าดูกายเพื่อให้ได้สมาธิไม่ใช่ว่าเข้าฌานแล้วก็มาดูกายนะก็อย่างเข้าฌานไม่เป็นเราก็ดูกายไปเลยอย่างขณะ น, นี้ร่างกายมันนั่งก็รู้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่นะร่างกายมันขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายมันหายใจก็รู้สึกเหมือนไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆจิตมันจะค่อยมีกาลังขึ้น สงบตั้งมั่นมีเรื่องมีแรงขึ้นมาเงินบางองค์บางคนหลวงพ่อให้ดูกายก็อย่าไปเสียใจว่าทำไมหลวงพ่อไม่ให้ดูจิตจะดูจิตได้ก็ต้องมีกำลังของสมาธิมากพ อ, อใสสมาธิเบื้องต้นนั่นแหละเป็นขนาขณะไปนี่ถ้าสมาธิเรายังไม่มีเลยใจเราฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ย ดูจิตไม่ได้จิตเป็นของละเอียดถ้าสติเราไม่ดีพอสมาธิเราไม่ดีพอเราดูจิตไม่ถูกหาไม่เจองั้นถ้าเราดูจิตไม่ได้เบื้องต้นดูกายไปก่อนอย่ารังเกียจกายนี่อย่างดูผมขนเล็บฟันหลังก็ได้นะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ ดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ได้คอยรู้สึกมันไปเรื่อยรู้สึกรู้สึกอยู่ในร่างกายแค่รู้สึกอย่าไปเพ่งจ้องถ้าเพ่งจ้องใช้ไม่ได้แค่รู้สึกร่างกายขยับรู้สึกทำอะไรก็คอยรู้สึกไปอย่างบางสายพอดูท้องผองท้องยุบก็เห็นร่างกายขยับแต่ถ้าทำผิด จิตก็ถลำลงไปอยู่ที่ท้องเพ่งท้องอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วสติเราถลำลงไปจิตมันไม่ตั้งมั่นหรือขยับมือแล้วจิตมันก็คอยคิดขยับท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไหนอะไรอย่างงี้นั้นหลงฟุ้งซ่านละหรือขยับสวยนนะแต่ขยับด้วยไขสันหลัง จิตใจนีไปที่อื่นแล้วอ่นั้นใช้ไม่ได้ที่เราฝึกกรรมฐานเราฝึกจิตใจของเราไม่ใช่ฝึกร่างกายไม่ใช่ฝึกเดินสวยนั่งสวยขยับสวยไม่ใช่เราจะฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นทำกรรมฐานที่เราทำได้บางงเริ่มจาก หายใจชอบอยากหายใจทาลมหายใจรู้ลมหายใจไปสักพักเดียวหลงแสดงว่าการรู้ลมหายใจนั้นเป็นอารมณ์ที่ละเอียดเกินไปสำหรับเราก็เพิ่มอารมณ์ให้หยาบขึ้นเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร่นี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วยังหลงอีกอาจจะเพิ่มอีกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่ง หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองอะไรนับไปเรื่อยๆรื่อนี่ก็ทั้งหายใจนะใจก็หลงตลอดเนะ น, นี่ยอ<ม>ันเนี้ยไม่ไหวแล้วละเอียดเกินไปนะหายใจเวลาบริกรรม้วยก็ยัออยงหลงอีกก็ทำกรรมฐานที่หยาบขึ้นร่างกายเป็นกรรมฐานที่หยาบถึงเราหลงเราก็ยังมีร่างกายอยู่แต่ไม่เหมือนจิตนะถ้าจิตหลงเนะ่ยหาจิตไม่เจอแล้ว แต่กายนี่ไม่เคยหายไปไหนงั้นถ้าสติสมาธิเรายัางอ่อนมากๆมนะดูจิตดูใจไม่รู้เรื่องดูแล้วมันหลงมันเคลิ้มดูกายนี่ฝึกอย่างนี้ไปพอเราดูกายไปช่วงหนึ่งนะจิตจะเริ่มส่งพลังขึ้นมาบางคนสามารถเข้าไปเห็นจิตได้เลย ก็ไปเจริญปัญญาด้วยการดูจิตคนละส่วนนะเจริญปัญญากับการทําสมถะทําสมาธิบางท่านเจริญปัญญาด้วยการดู ก, กายต่อไปเลยอย่างเดิมร่างกายยืนเดินด น, นั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายหายใจคอยรู้สึกนะพอฝึกเกินจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจริงจมันเห็นเลร่างกายที่หายใจร่างกาย ที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเลยเพวกนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเพรามันเห็นความจริงของร่างกายร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นก็เคลื่อนไหวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะันร่างกายนี้เต็มไปด้วยตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีหรือเห็นร่างกายนี้ของถูกรู้ มันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราทีนเนี้ยเดินปัญญาแล้วเคยได้ยินได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์บางองค์ท่านดูกายนะท่านแต่ต้นเลยนะดูกายมาแล้วก็มาเจริญปัญญาดูกายมาเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยมันทุกข์มาก เหมือนภูเขาทั้งลูกนะลงมาขยี้ทับลงมาบดลงมาไม่ได้ทับเฉยๆนะบดด้วยกนะ็เห็นอยงนี้สุดขีดเลยนะจิตมันก็ระเบิดเปรี้ยงออกมานะปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตปล่อยไปยหมดเลยปล่อยคันห้าได้บางท่านนะเริ่มต้นอาจจะดูกาย ทำสมาธิอย่างทรอมานาปนสติอะไรเงี้ยเสร็จแล้วท่านต่อเข้าเวทนาหรือต่อเข้าจิตเลยนะก็ทำได้สุดท้ายท่านก็เห็นจิตนั้นนะมันเป็นตัวบรมทุกนะตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนะมันทุกข์แสนสาหัสนะทุกข์เหมือนภูเขาทั้งโลกลงบางยี้มาบดมาเบียด มาโม่เหมือนเรื่องโม่กในที่สุดไอ้ตัวจิตผู้รู้มันก็สลายตัวสลายตัวไปปล่อยวางจิตที่เดียวเนี่ยมันก็ปล่อยวางขันห้าทั้งหมดปล่อยวางโลกทั้งหมดปล่อยที่จิตตัวเดียวละที่จิตรู้ที่จิตลาที่จิตปล่อยโลกทั้งโลกเลยนี่หลวงปู่ดูนท่านสอนไว้ แนการปฏิบัตินั้นทางใครทางมันนะเรียนแบบกันไม่ได้ต้องดูตัวเองอย่างบางคนทำสมาธิโดยใช้นามธรรมนะใช้นามธรรมทำสมาธิก็ทำได้อย่างนั่งภาวนาอยู่ทีแรกอาจจะพุโทโธอาจจะอะไรอยูนะ่แล้วก็เห็นความว่างๆช่องว่าง ช่องว่างนี่เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าแล้วก็ดูลงไปในช่องว่างจิตจับลงไปในช่องว่างอันนี้ก็เรียกว่าอากาสานจารย์ยตนะใช้ช่องว่างเป็นอารมณ์นี่พอดูช่องว่างไปก็อยากเห็นต่อมาก็เห็นอีกจิตที่ไปดูช่องว่างนี่มันยังเคลื่อนอยู่เคลื่อนไปอยู่ในช่องว่างก็วางช่องว่างนะย้อนเข้ามาดูจิตที่เป็นคนรู้ จิตที่เป็นคนรู้ก็กลายเป็นของถูกรู้เกิดจิตผู้รู้ดวงใหม่ขึ้นมาถ้าดูจิตผู้รู้ดวงใหม่มันก็เกิดจิตผู้รู้ใหม่ขึ้นมาซ้อนไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตัวจิตเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยเป็นอนันต์ไม่มีที่สุดตัวนี้เรียกว่าวิญญาณอนจา ย, ยตรนะระถ้าดูอารมณ์คือความว่างจิตมันว่างเนี่ยโดยตัวของมันมันว่างๆเราไปดูอารมณ์มัน ก็เป็นอรูปที่หนึ่งถ้าวางอารมณ์ย้อนมาดูตัวจิตก็เป็นอรูปที่สองนะาาออแล้วมาพาวนาเราจะเห็นอีกการมาดูจิตดูใจดูตัวรู้นะยังเป็นภาระนะจิตมันก็หยุดการดูตัวรู้ไม่ดูทั้งอารมณ์ไม่ดูทั้งจิตนะอะไ ร, ไะไ ร, ไนะรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอารมณ์ก็ไม่เอาจิตก็ไม่เอา อันนี้ก็เป็นอรูปที่สามชื่ออากินจัญญายตนะอยู่ในอรูปที่สามแล้วเนี่ยมันละเอียดมากนะสติมันจะค่อยๆ อ, อ่อนลงไปสัญญาเนี่ยค่อยๆ อ, อ่อนตัวลงไปแต่สติไม่ขาดนะสัญญาไม่ขาดทั้งหมดนะแต่มันอ่อนจนเหมือนไม่รู้สึกรู้สึกเหมือนไม่รู้สึกอ่ะตัวนั้ไม่เข้าไปสู่สมาธิที่สงบลึกที่สุด ชื่อในวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนี่ถ้าเราทำอานาปนาสติแล้วเราจบลงที่อานาปนาสติเราได้รูปฌานถ้าเราดูกายทำกายคตาสติเราก็ได้รูปฌปานถ้าเข้าอารูปนั่ก็อย่างที่หลวงพ่อเรานี่ไม่จำเป็นทุกคนต้องเข้าอารูปไม่จำเป็นถ้าเราถนัดทางกายแล้วมันก็ไปแค่รูปก็พ อ, พอละ ดูแค่รูปจิตเป็นหนึ่งจิตสงบจริงๆนะตัวรู้มันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองแล้วไม่ต้องรักษานะมันไม่งอนแง่นไม่กรนแคนมันตั้งมั่นเพราอน้อย่างเราคอยรู้สึกกายรู้สึกกายรู้สึกไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึก รู้สึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาสุดท้ายมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะจิตผู้รู้ทําได้เยอะแยะวิธีการอย่างเราดูจิตดูใจเรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนปุ๊บจิตผู้รู้ก็เกิดมันมีวิธีมากมายที่จะทําได้แล้วมันก็ได้สิ่งเดียวกันนล้วแหละได้จิตที่ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะจิตตั้งมันแล้วร็เป็นขั้นของการเจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยการดู ก, กายต่อก็ได้แต่คราวนี้ไม่ใช่เห็นกายแต่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายนี่คือการเจริญปัญญาเห็นไม่ใช่การคิดนะถ้าการคิดยังเป็นสมถะอยู่ยังคิดว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งาม ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปนอนัตตาอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นสมถะนะคิดไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบคิดว่าร่างกายนี้ต่อไปก็ตายคิดไปเรื่อยๆจิตก็สงบแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นนะมันจะเห็นร่างกายนี้มันมีแต่ความทุกวบีบคั้นนะร่างกายนี้ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้า เดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนทำไมต้องเปลี่ยนลมหายใจทำไมต้องเปลี่ยนทาละ บ, บทเพราะมันทุกข์นะเห็นอย่างนี้ต้องเห็นเอาไม่ใช่จิตเอาถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นดูกายก็ทำวิปัสสนาไดนะ้ดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปดูจิตนะว่า ง, างๆนิ่งๆอยู่เป็นสมถนะถ้าเราเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจนะเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์ เดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วล้วนแต่ของไม่เที่ยงอันนี้เราเจริญปัญญาทำวิปัสสนาเราเห็นว่าจิตมันปรุงดีก็ปรุงได้เองปรุงชั่วมันก็ปรุงได้เองมันเป็นของมันเองนั้นเราเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันก็จะรู้ว่าจิตใจนี้ไม่ใช่เราดกกาูกายไันเห็นกายเนี่ยมันไม่ใช่เรา แลถ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นจิตดูกายนะสุดท้ายก็เห็นจิตนะก็จะเห็นนะกายนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูนจิตเป็นคนรู้คนดูเวลาวางนะไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตมาเวลาวางก็วางหมดนั่นแหละวางขันห้าทั้งหมดนั่นแหละนั้นการปฏิบัตินะมันกว้างกวางน่าหลากหลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย เราอย่าไปคิดว่าอย่างนี้ดีที่สุดอย่างนี้ดีที่สุดอย่างหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยจิตตานุพัสสนานี่เจริญอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็พบว่าการดูจิตดูใจนี่ทำให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ก็เหมือนการดูกายกนั่นแหละทำให้เป็นสมถะก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ ถ้าเราเห็นตัวสภาวะนเี่ยสภาวะของร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยเห็นสภาวะของจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนไปเรื่อยเนื่ยเห็นตัวสภาวะหรือเห็นจิตจ้องดูตัวผู้รู้อยู่อันนี้นเป็นสมถะถ้าเราเห็นไตรักษ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตที่จะเป็นวิปัสสนาแต่เวลาเราทำวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ทําวิปัสสนาตลอดเป็นไปไม่ได้ การทำวิปัสสนาเนี่ยมันใช้พลังของจิตมากสักพักเดียวสักครู่เดียวนะสมาธิเราตกแต่เราเริ่มฟุ้งซ่านแทนที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะ่ะมันจะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งงั้นจิตมันก็ต้องกลับมาทำสมถะกลับมาอยู่กับกายมาดูกายอย่าไปเพ่งกายนะแค่รู้สึกกาย รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกว่าร่างกายหายใจแค่รู้สึกดูจิตก็อย่าไปเพ่งจิตแค่รู้สึกะจิตสุขก็รู้สึกจิตทุกข์ก็รู้สึกจิตดีจิตชั่วก็รู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยๆจิตก็จะสงบลงมาคอยรู้สึกในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตที่เคยดิ้นรนก็จะเริ่ม เชื่อมเริ่มสงบเข้าที่เนี่ยพยายามฝึกตัวเองทำให้ได้ทุกวันทุกวันอย่าประมาทอย่าล่าเลยอย่าพลัดวันประกันพรุ่งพยายามาพากเพียนทาเข้าวันนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันครอบคลุมการปฏิบัติไว้เยอะเลยนะทั้งสายกายทั้งสายจิตทั้งสมถตาทั้งวิปัสนา ใครถนัดทางไหนเอาไปปฏิบัติดูนะอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อทำอานาปนสตินะอยากทาอนาปนสติคนทำไม่ได้นะมละเอียดเกินไปก็ใช้กรรมฐานที่มันหยาบขึ้นมานะดูกายไปอะไรไปนะดูจิตจิตมันนีวิเที่ยวได้ ดูกายกายหนีไปไหนไม่ได้เนี่ดูง่ายครูบาาจารย์ส่วนใหญ่ท่านดูกายเอาด้วยซ้ำไปที่ท่านได้ดิมได้ดีมาเป็นครูบาอาจารย์พวกเรานะส่วนใหญ่ท่านมาทางกายพวกที่ท่านถนัดทางจิตนะครูบอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นก่อน ขึ้นไปอีกก็สอนให้ท่านดูจิตเอย่างหลวงพูดุลนะก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภาวนาก็เ ข, ข้าใจธรรมะเบื้องต้นแล้วหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงพูดุลดูจิตเลยนะสอนว่าให้ไปดูตัวนี้เลยว่าสพเพสังขาราสัพพัญญาอานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สเพสสังขาราสัพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนในโลกปุตตุท่านไปดูตัวนี้อยู่ไม่นานนะท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าจิตมันมีตัณหานะเป็นเหตุตัวจิตที่มันส่งออกนอกนะั้นมันมีตัณหาตัณหาคือความทยานอยากทยานไปหารมทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วการที่มีสติรู้เท่าทันอยู่เนี่ยจเจริญมากอยู่จเจริญมรรอยู่ซีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาจิตก็เข้าถึงนิโรธคือความบุญทุกข์ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ในเวลาันสั้นท่านดูจิตเอานี่พาะเราได้ยินประวัติตัวนี้ก็อยากดูจิตจะได้เร็ว กำลังเราไม่พอเราดูไม่ได้อย่างหลวงพ่อทําสมาธิหลวงพ่อได้ตัวรู้มาตั้งแต่ดเด็กเจอหลวงปู่ดูลนท่านสอนให้ดูจิตเลยถ้าไม่มาพูดเรื่องพุทโธพุทโธอะไรไม่เอาเลยแต่ลูกศิษย์บางคนท่านสอนให้พุทโธลูกศิษย์บางองค์ท่านสอนให้ดูผมบางองค์ท่านสอนให้ดูกระดูกนี่เป็นเรื่องของสมรถะทั้งนั้นเลย ลูกศิษ์ท่านที่ดูกายก็เยอะนะไม่ใช่ไม่มีลูกสิธิ์ที่ท่านสอนพัวเข้าที่จิตเลยมีไม่มากหรอกต้องมีสมาธิใช้ได้แล้วอะถึงจะเห็นจิตใจได้ไม่จะลงไปอยู่ในความคิดไม่สามารถเห็นจิตเห็นใจตนเองได้นะวันนี้พอสมควรนะสมควร